คอลัมน์เที่ยววัดตอนปีใหม่โดยพอใจช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ไปไหนกันมาบ้างบางคนอาจไปเที่ยวต่างประเทศบางคนอาจไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆในประเทศบางคนอาจเฮฮากันอยู่ตามสถานที่บันเทิงหรือบางคนอาจอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันปีใหม่กับคนทั่วประเทศไทยสาหรับผู้เขียน ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรอกโอกาสหยุดยาวๆแบบเนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยถือโอกาสไปภาวนาเย็นวันศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2549ผู้เขียนและเพื่อนๆได้ออกเดินทางจากกรุงเทพตอนเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งแวะพักทานข้าวเย็นประมาณ1ชั่วโมงจึงเดินทางถึงวัดถ้ำหมีนอนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหลังจากได้แยกย้ายกันเก็บสัมภาระส่วนตัวก็ได้มีโอกาสกราบเท้าเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์ชัยรัตอิทธิโชโตท่านพระอาจารย์เมตตาผู้เขียนและเพื่อนๆ เ, เ, เป็นอย่างมากสอนธรรมะต่างๆให้ได้ฟังทั้งที่ผู้เขียนเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างและทั้งที่ผู้เขียนไม่เคยได้อ่านได้ฟังมาด้วยมีอุบายอย่างหนึ่งที่จําได้ติดใจเลยคือ ท่านพระอาจารย์ให้เราลองพิจารณาอาหารก่อนทานเข้าไปแล้วหลังจากเคี้ยวอย่างละเอียดเตรียมกลืนนั้นให้คายออกมาพิจารณาดูว่าอาหารช้อนนั้นก่อนเคี้ยกับหลังเคี้ยวแตกต่างกันอย่างไรแล้วความรู้สึกของเราเองแตกต่างกันหรือไม่แค่นึกภาพตามผู้เขียนก็เริ่มรู้สึกว่าอาหารที่อยู่ในความคิดนั้นไม่อร่อยซะแล้ว หลังจากแยกย้ายกันไปตามที่พักส่วนตัวแล้วต่างคนต่างทำธุระส่วนตัวและเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาตีสี่มีเสียงเทปปลุกให้ลุกขึ้นมาทำความเพียรพร้อมเสียงหอนของสุนัขที่อยู่ที่วัดหลังจากตื่นขึ้นมาทำธุระส่วนตัวกันเรียบร้อยตีหก็เป็นเวลาทำความเพียรใครจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ได้เวลาหกโมงเช้า คือเวลารวมตัวกันทานอาหารเช้าแบบเบาๆเวลาแปดโมงเช้าเป็นเวลาเรียนธรรมะซึ่งแล้วแต่ท่านพระอาจารย์จะหยิบยกเรื่องใดมาสอนรวมกับทําความเพียรจนถึงเวลาประมาณส0บโมงกว่าเกือบ11อ็ดโมงหลังจากที่ถวายเพลงท่านพระอาจารย์แล้วกลุ่มผู้เขียนและคารวะท่านอื่นๆที่ได้มาภาวนาที่นี่ก็รวมตัวกันทานอาหารทาความสะอาดจานชาม และบริเวณที่ใช้สอยหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันตามอัธยาศัยจนถึงเวลาบ่ายสองโมงซึ่งเป็นเวลาเรียนธรรมะอีกช่วงหนึ่งในวงเล็บท่านพระอาจารย์ได้สอนทั้งการนั่งการเดินการนอนอย่างมีสติวงเล็บปิดตลอดระยะเวลา5วันหคืนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและปฏิบัติภาวนาที่นี่สถานที่แห่งนี้สงบเงียบ เหมาะกับการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งที่พักและห้องน้ำก็สะดวกเหลือเกินหลังจากกลับมาจากวัดมุมมองที่เคยมองสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปที่เคยนิยมสรรหาอาหารอร่อยๆทานก็เริ่มประจักษ์กับใจว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนั้นเป็นอย่างไรที่เคยผัดวันประกันพรุ่งหาข้ออ้างให้ตัวเองต่างๆนานาที่จะไม่ทาความเพียร ก็เปลี่ยนเป็นเห็นค่าของทุกเวลานาทีว่ามีความหมายเหลือเกินในการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตนเองที่ใจเคยหอยหาอะไรบางอย่างที่ตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็เปลี่ยนเป็นหยุดหาสิ่งต่างๆนอกกายมาเรียนรู้ความจริงในกายใจของตนเอง